สาทกหยิบยกมากล่าวถึงพระคุณเจ้าผู้มากบารมีเจ้าคุณวรยุทธ์พระผู้ปฏิบัติธรระรัตนรังสีท่านมีเมตตาคุมเทอทอดเทวีของ พิของท่านก็คือสืบสานงานพระศาสนาเดินตามร้อยบาทองค์พระศาสสดาตตลอดเวลาในต่างแดนอินเียควรยากนำยม ได้ไปเยี่ยมเยือนอบรมย้ำเตือนเกิดมาไม่เสียสถานที่สำคัญหลักฐานชัดเคลียร์อยู่ประเทศอินเดียต้นฐานสายารทมาท่านเจ้าคุณวิรยุทธ์ไม่หยุดภารกิจรวมพระบัณฑิต และพระนวกรรมสร้างวัดใหญ่โตโอ้อาสง่างามที่ใครก็ตามเห็นแล้วสัตทาเกิดเป็นชาวพุทธจิตที่สุด 黄山 ท้องสแดนพุทธภูมไม่ไกลหินกำเนิดศาสนาไปกราบสมเด็จพ่อองค์พระสารสดามเมื่อท่านกลับมาจะอิ่มเอิใจคนทั้งสามใควรไปสักการะดินแดนอริยนาสัทธาเลื่อมสา เมืเป็นชาวพุทธเข้าถึงพระราตนาฏัยควรหาโอกาสไปกราบไหว้เอทอดบูนขอเชิญฟังต่อในตอนที่สองเรียบเรียงร้อยกลองเรื่องราวสมบูรณ์ิบ วันทาสร้างสถาเพิ่มคูณติดกอบเกลือ